เป็นไงบ้างคุณสมเกียรติรู้สึกเรื่อยๆนะเวลาเราเผลอไปใจมันหนีไปนีแต่แล้วพสติมันเกิดรู้ทันนะพอรู้ทันเนี่ยอย่าขยับนะัอย่าทำอะไรอีกนะบางทีพอรู้ทันเราจะไปดึงคืนนะโยบอกว่าเวลาเผลอเผลอก็เผลอไปพอเกิดสติรู้ว่าเผลออย่าประคองเอาไว้ อืมไม่ใช่ตัวเราอนะจนถึงสุดท้าย้ตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราไม่เฉพาะของข้างนอกอธรรมะภายในธรรมะภายนอกธรรมะที่หยาบที่ละเอียดมันไม่ใช่เราหมดเลยนค่อยดูไปเดี๋ยววันหนึ่งแจ้งขึ้นมาเป็นไงบ้างอืมเออดีนะรู้จักรู้ตัวแล้วรู้สึกไหมพอเรารู้ตัวปั๊บมันเราตื่นจริงๆรินะจิตใจมันสว่างออกมาจากข้างใน เคมืดมืดมัวมั ว, มวซึมซึมหลงๆลงแล้วก็หายไปตื่นขึ้นมาจริงจริงตื่นัง่ายตื่นได้ยางตื่นบ่อยไห ม, ไมหอเออดีนะยยังดีมีตื่นนะดูตัวเองออกไหมเวลามันตื่นขึ้นมาดีใช่อย่างนั้นเลยนะเราต้องหลุดออกมาอย่างโลกของความฝันเลย พาเราหลุดเรายากโลกของความฝันมาอยู่ในโลกของความจริงเนะี่ยเราถึงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่นักปฏิบัติถ้าไม่สามารถรู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็จะไปหลงอยู่ในความคิดเมื่อไปหลงอยู่ในความคิดก็ไม่เห็นของจริงได้แต่เรื่องแค่คิดเอาคิดเอาไปเรื่อยคิดว่ารู้ธรรมะนะคิดธรรมะคิดธรรมะได้ความฟุ้งซ่านไม่ใช่ได้ปัญญา แต่การเข้าไปไประจับ ก, กับตัวสภาวะนะตรงไปตรงมาที่สุดเลยเข้าไปไประจับให้ได้แล้วจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันแนวทางปฏิบัติมันมีสองสายนะอาจารย์สุรวัตรสายหนึ่งสายท่านชินเชาทำเป็นขั้นๆค่อยเป็นค่อยไปอีกสายหนึ่งสายฉับพลันของเวยหลัง สายชินชาวเนี่ยพอท่านชินชาวตายไปแล้วเนี่ยก็สูญไปจากเมืองจีนย้ายมาอยู่เมืองไทยนิ่มดีแล้วนิ่มนิ่มอย่เกรงขึ้นมานะอันนี้ดีกว่าเมื่อวานนนนเยอะเลยรู้สึกไหมมันไม่เหมือนกันหรอกนะส่วนมากเราคิดว่าการปฏิบัติคือการต้องทําอะไรคิดแต่จะทําคิดแต่จะปรุงแต่งสิ่งที่ดีๆขึ้นมา ที่แต่จะต่อสู้กับอกุศลความปรุงแต่งอะไรกั้นเราไว้จากธรรมะายลอดเป็นไงลอดตื่นอย่างยังไม่ตื่นเลยเหรอปีึ้นมาตั้งเยอะแล้ว <c oughs> ไม่รู้สึกเลยเหรอรู้สึกไหมจิตใจเราไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยต่อไปมันจะตื่นขึ้นมาเต็มที่เลยนะ เมื่อไรที่จิตเราตื่นขึ้นมากิเลสจะเกิดไม่ได้เลยกิเลสเกิดตอนเผลอเท่านั้นกิเลสเกิดได้ตอนขาดสติเท่านั้นตอนมีสติกิเลสมีไม่ได้หรอกนั่นเราไม่ต้องปฏิบัติไอละ ก, กิเลสแต่ว่ามีสติขึ้นมามันไม่มีกิเลสจะให้ละสิ่งที่ถูกละไปเรื่อยๆก็คือความเคยของจิตใจเรื่องอนุใั่ค่อยๆสลายตัวไปตีเปง่ายตี รอบนี้เก่งขึ้นเยอะเลยไม่ทำอะไรมา <c oughs> เออนะเก่นไปทำอะไรมาในเละเลยเมื่อกี้เห็นอ้อวิลาสินิอ้อก็ดีนะรู้ไหมเราเผลอละอ <c oughs> เผลอก็เป็นของห้ามไม่ได้คุณนี่มากับพวกห้องแชทเหมือนกันหรือะปล เล่นเน็ต น, นะอย่าเล่นเยอะนะสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งนะสนทนาธรรมไม่จำกัดการเป็นอัปมงคลนะต้อเอาแต่คุยนะไม่ได้ดูของกายดูใจของเราสักนทะีอะไรก็ไม่สำคัญเท่าความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาให้ได้ พุทเจ้าสอนทมที่มีอุปการะมากคือสติกับสัมปชัญญะสติเป็นความระลึกได้อะไรแปลกปลอมเข้ามาทางกายทางใจสติมีหน้าที่คอยรู้ทันนะเช่นความกโกรธเกิดขึ้นในใจสติรู้ทันว่าอ้อโกรธ ล, ละนะราคะเกิดขึ้นที่ใจสติก็รู้ทันว่าราคะเกิดขึ้นละอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้ทันนี่หน้าที่ของสติ สัมปชัญญะเป็นตัวปัญญานะปัญญามีตั้งแต่ปัญญาของความไม่เผลอไม่หลงเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะความไม่เผลอความไม่หลงนะไม่ลืมตัวเองทันทีที่สติมรารึกรู้สภาวะธรรมได้เราก็จะตื่นขึ้นมาจิตใจของเราจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจที่อยู่กับตัวเองเรียกว่าสัมมาส ม, มาธิ พวกเราบางคนชอบฝึกสมาธิชอบฝึกบังคับใจค่อยๆเรียนไปเรียนศีลเรียนสมาธิเรียนปัญญานะบางคนนึกว่าศีลเป็นเรื่องง่ายไปขอศีลมาจากพระบอกมีศีลแล้วนะศีลอย่างนั้นยังไม่พอนะมันเป็นศีลเชิงจริยธรรมเท่านั้นศีลห้าศีลแปดศีลสิบ เป็นศีลในเชิงจริยธรรมทำให้อยู่ในสังคมอย่างสงบเรียบร้อยศีลของนักปฏิบัติมีอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอินเซียสังวรศีลอินเซียสังวรศีลหมายถึงยังไงหมายถึงว่าเมื่อตาเรามองเห็นนะตาเรามองเห็นอะไรก็ได้จิตมันจะเกิดความยินดียินร้ายเกิดความรู้สึกขึ้นมานะเรามีหน้านที่มีสติรู้ทัน เช่นตาเรายังหนุ่มๆในตาเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะให้มีสติรู้ว่าราคะเกิดขึ้นมาแล้วราคะนั้นจะครอบงําจิตของเราไม่ได้จิตจะเป็นอิสระจากราคะแล้วจิตเป็นอิสระจากราคะหรือจิตเป็นอิสระจากโมหะโทสะเนี่ยจิตไม่ถูกกิเลสครอบงําเรียกว่าจิตมีศีลจิตเป็นปกติจิตของพวกเราเป็นจิตผิดปกติส่วนใหญ่น เพราไม่มีสติเราดูกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจไม่ออกเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็หลงดูเดี๋ยวหลงฟังเดี๋ยวหลงคิดเดี๋ยวหลงดีเดี๋ยวห ล, ล, ลงร้ายเมื่อหลงไปนะกิเลสจะครอบงำจิตยกตัวอย่างอย่างสมมติคนมาดา่าเราเราโกรธทันทีที่โกรธนะถ้ามีสติเห็นความโกรธความโกรธจะดับทันที ต้องดับทันทีด้วยนะสติตัวจริงเนี่ยกิเลสจะอยู่ร่วมกับสติไม่ได้เลยถ้าประเภทบอกแหมกําลังโกรธไปดูไปนี่ไม่ใช่สติตัวจริงหรอกนะสติตัวจริงเกิดเนี่ยอกุศลต้องดับทันทีเลยมห่ามาสติตัวปลอมนะนั่งดูโทสะเกิดนั่งดูมาสามวันยังไม่หายเลยนะทําไมจิตถึงไม่มีสติจิตตรงนั้นเป็นอกุศลนหละอย่างพอเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจนะ เราเกลียดมันเราอยากให้มันดับจิตที่เกลียดโทสนะนะนั่นแหะนั่นแหะคือจิตที่มีโทสะเพราะฉะ้นจิตดวงนั้นเป็นอกุศลเราเรากําลังไกมีโทสะตัวใหม่ไปเกลียดโทสะตัวเก่าหรือมีโทสะตัวใหม่นะไปเกลียดลาคะใจฟุ้งซ่านเกลียดมันอยากให้หายฟุ้งซ่านนี่จิตไม่ได้มีสตินะแต่จิตมีกิเลส ค่อยๆสังเกตจิตใจเราจึกระทั่งสติปัญญาเราช้ำแรกเข้าไปในใจกนะิเลสครอบงําใจไม่ได้จิตเป็นปกติเรียกว่าจิตมีศีลเงินศีลยากนะศีลไม่ใช่ไปขอจากพระเราส่งเด่นง่ายๆนะนั่นศีลจริยธรรมเท่านั้นศีลตัวจริงเกิดจากการมีสติรู้ทันความยินดียินร้ายในจิตของเราเองความยินดียินร้ายเกิดขึ้นตลอดเวลามันเกิดตามกัน กระทบอารมณ์ทางทาวารทั้งหกนะอย่างเช่นเราไม่เจออาจารย์สุรวัตรนานพอเจอแล้วเราดีใจเรายินดนะีความยินดีเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันหรือเจอศัตรูเกลียดมันความเกลียดเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันจิตจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำํำนศะีลห้ามเกิดขึ้นเองอัตโนมัติเลยนะอย่างเห็นคนเขามีมือถือสวยๆอยากได้อยากแย่งเขาเนี่ยเห็นความอยากได้ของเรา ความอยากครอบงำไม่ได้ก็ไม่ไปแย่งเขาถูกเขา ด, าด่าโกรธมีสติรู้ทันความโกรธครอบงำจิตใจไม่ได้ก็ไม่ไปตีเขาไม่ไปดา่าเขาะศีีข้อหนึ่งเศษข้อสี่อะไรเกิดเองเห็นสาวสวยนะจิตมีราคารู้ว่ามีราคาราคาครอบงำจิตไม่ได้เนศะีีข้อสามก็มีเองนะไม่ไปหลอกลวงเขาี่ข้อสี่ก็มีด้วย เมื่อถ้าเราคอยมีสติรู้ทันจิตใจเราอย่าให้กิเลสครอบงำได้นะศีนที่เกิดเองอการรักษาศีนจะเป็นของง่ายไม่ใช่ยากอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่ไปขอศีนมายังไม่ทันพ้นวันเลยศีนตกไปทั้งหลายตัวแล้วเริ่มตั้งแต่คุยจ้อเลยฟุ้งซ่านแะ้คนะุยเพ้อเจอ้อศนะีนดำ ก, กระดังงนะนอกจากศีนเราต้องเรียนเรื่องสามมาสมาธิหรือเรียนจิตสิกขา บทเรียนที่สองที่พระพุทธเจ้าสอนชื่อว่าจิตสิกขาบางคนบอกว่าไม่อยากเรียนเรื่องจิตจะเรียนเรื่องกายเรียนเรื่องกายก็ได้แต่เรียนเรื่องจิตซะก่อนเพราะบทเรียนที่สองคือจิตสิกขาส่วนการไปตามรู้กายตามรู้ใจมั น, เ ป, นเป็นการเจริญปัญญาสิกขาเป็นอีกขั้นหนึ่งนี่จิตสิกขาก็คือการเรียนที่ว่าทำยังไงจิตของเราจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลได้ ต้องไป็นสายกุศลด้วยนะถ้าไปตั้งมั่นในอกุศลเนี่ยไม่ใช่จิตสิกขานะไม่ใช่สัมมาสมาธิจิตสิกขาทําให้เกิดสัมมาสมาธิหมายถึงทําให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ยที่เป็นกุศลโดยเฉพาะถ้าจะเจริญวิปัสสนาแล้วก็ต้องรู้กายรู้ใจกายกับใจเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาสัมมาสมาธิจิตเราจะตั้งมั่นรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ใช่ไปตั้งอยู่ที่อื่น นี่พวกเราเราคิดว่าการไปนั่งสมาธิคือการฝึกจิตสิกขาไม่ใช่นะการเรียนพิทักษ์ขาต้องเรียนให้เข้าใจซะก่อนว่าจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลจิตที่หนักหนักจิตที่แน่นแน่นจิตที่แข็งแข็งจิตทื่อทืจิตซึมซึมเหล่านี้เป็นลักษณะของอกุศลจิตทั้งหมดเลยจิตที่เป็นกุศลแท้มันจะตื่นขึ้นมาจะรู้จะตื่นจะเบิกบานะ จะเบาจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานไม่ถูกกิเลสครอบงำรู้สภาวธรรมทั้งหลายอย่างซื่อๆตรงๆ ร, งรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงนี่ลักษณะของจิตที่เป็นกุศลพอเรารู้จักว่าจิตที่เป็นกุศลเป็นยังไงแล้วเราก็ามาเรียนต่อว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงจิตปกติของเราจะไม่ตั้งมั่นหมายถึงว่าไม่อยู่กับกายกับใจตัวเองชอบไปอยู่ที่อื่น เช่นเห็นคนเดินมาไปดูเขานน่นจิตไปอยู่ที่เขาแล้วจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองแต่ไปอยู่กับสาวแล้วนะได้ยินข้างบ้านคุยกันอยากฟังเกิดทิพโสดเงี้ยหูฟังแมมเขาคุยอะไรซุบซิบอยู่ห้องนอนเขายังได้ยินเลยนะลืมตัวเองไปแล้วเนี่ยจิตไม่อยู่กับตัวเองไม่นะว่าจิตขาดสมัมมาสมาธิแล้วมีแต่มิจฉาสมาธิจดจ่อไปภายนอกนี่เราต้องรู้จักจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเอง วิธีจะรู้จักจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองก็ใช้สตินี่แหละมาคอยรู้ทันจิตเราชอบไหลไปไหลไปทางตาให้รีบรู้ไวๆไหลทางหูไหลทางใจรีบรู้ไวๆหมายถึงว่าถ้ามันไปทำงานทางตามันเห็นคนเดินมาไปดูเขาเนี่ยให้รู้เลยอ๋อไปหลงดูละเผลอไปละลืมตัวเองละมันจะกลับมารู้สึกตัวขึ้นมาไปแอบฟังเขาคุยกันรู้เรื่องหมดเลยเขาคุยอะไรรู้หมดเลย นะลืมตัวเองพอเรารู้ทันว่ามันไปหลงฟังจะตื่นขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นกลับมาอยู่กับตัวเองหรือจิตมันแดบไปทำงานทางใจอย่างพวกเราตอนนี้นะหลวงพ่อจะพาให้ดูจิตที่ทำงานทางใจสังเกตไหมตอนที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยบางครั้งเราก็มองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งแล้วก็ฟังหลวงพ่อพูดหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปคิดยาวๆรู้สึกไหมฟังไปคิดไปไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะดูออกไหม แต่เดิมเราคิดว่าเราฟังอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยหัดรู้จักนะว่าจิตหลงไปทำงานทางใจคือฟังแล้วคิดนะสังเกตดูระหว่างฟังหลวงพ่อพูดกับคิดเนี่ยอะไรเยอะกว่ากันดูออกไหมฟังหลวงพ่อได้ครั้งละหนึ่งขณะจิตนะตคิดด้ทีหนึ่งเจ็ดขณะจิตนะ <c oughs> งั้นจิตเราหลงไปทำงานทางใจริบรู้ไวๆจิตมันถึงจะตั้งมั่นขึ้นมานะหัดรู้จักไป จิตส่งออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขารู้จักไวหลวงปู่ ด, ดูลเรียกว่าจิตส่งออกนอกหลวงปู่เทศแยกเป็นสองอันจิตส่งออกนอกนี่ส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตส่งในคือจิตเข้ามาทํางานข้างในอย่างเวลาเรากําหนดลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราเคลื่อเข้ามาข้างในหรือเวลาพวกเราดูจิตเห็นกิเลสอยู่เราก็จ้องใส่มันจ้องจ้องจองนลืมตัวเองเห็นแต่กิเลสแล้วโลกนี้เหลือแต่กิเลสดันเดียวนะ ลืมตัวเองแล้วเนี่ยหลงเข้ามาข้างในนั่งอยู่เฉยๆ้วนั่งคิดไปรู้เรื่องที่คิดหมดเลยลืมตัวเองเนี่ยหลงอยู่ภายในหลงทางใจนะแอบไปคิดอะไรก็ไม่รู้เลยสามชั่วโมงล้วคิดอะไรบ้างก็ไม่รู้นี่หลงทางใจแต่หลงอย่างสุดขีดเลยนี่งั้นจิตของเราส่วนใหญ่หลงอยู่ทางใจจิตที่ไม่หลงเนี่ยแทบไม่มีเลยนะคนในโลกเนี่ย ตื่นขึ้นมาแต่ตัวใจไม่เคยตื่นเลยเพราะนั้นจิตส่วนใหญ่ที่พวกเรามีคืออกุศลจิตจิตที่หลงลเวลาาหัดรู้จักให้ดีจิตไหลไปทางตาไหลทางหูจมูกลิ้นกายใจนะส่วนใหญ่ก็ไหลทางใจลองลงมาก็ทางตาลองลงมาก็ทางหูทางจมูกทางลิ้นนี่มีน้อยนะอย่างน้ำลายนะมีรสนะรสของน้ำลายใครรู้บ้าง นะเราไม่ได้สนใจจะรู้เราั้นเราไม่ได้ทำงานทางลิ้นนานๆไปทานข้าวอะไรเงี้ยนะก็ไปรับรู้อารมณ์ทางลิ้นเพราะเราจะต้องเรียนจนกระทั่งรู้ทันว่าจิตหลงไปทางทวารทั้งหกรู้ทันว่าจิตส่งออกนอกจิตส่งในจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาฉับพลันเลยนี่เป็นวิธีทำให้เกิดสัมมาสมาธิสำหรับพวกที่จะใช้คณิกะสมาธิเอาไปดูจิตนะ คือเฝ้ารู้จิตลงไปเลยแล้วมันจะได้สมาธิอัตโนมัติมันจะได้สีเนี่ย อ, อัตโนมัติแต่สำหรับคนที่จะไปพิจารณากายต้องทำให้มากกว่านี้หน่อยจะต้องทำฌานให้ได้ถ้าทำฌานไม่ได้ต้องทำระดับที่รองลงมาคือทำยังไงจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเอกข้าวัดป่ายุคนี้เขายังพูดเรื่องจิตผู้รู้ไหม อเออนั่นแหละนะทวนกลับมาเข้าบ้านนะเนี่ยเป็นทางเดินของพวกสมถะญานิกนะคือเราจะฝึกจนกระทางจิตมันกลับมาบ้านนะหมายถึงเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาหลวงพ่อเเสียดายนะรุ่นหลังๆไม่พูดเรื่องจิตผู้รู้กันละ พูดแต่เรื่องนิมิตสังเกตไหมคุยแต่เรื่องนิมิตซึ่งไร้าสาระมากเลยทำไมทิ้งเรื่องจิตผู้รู้ทิ้งเรื่องจิตแคาเมื่อไรเราไม่มีจิตผู้รู้เราก็มีแต่จิตผู้หลงล่ะสิเพราะฉะนั้นเราจะต้องหัดค่อยๆสังเกตไปเช่นเราหัดพุดโทโธพุโทโธนะหัดพุดโทโธไปหรือหายใจเข้าหายใจออกแต่พอหายใจไปพุโทโธไปจิตหนีไปเที่ยวให้มีสติรู้ว่าจิตหนีไปเที่ยวแล้ว นะพุโทโธไปหายใจไปจิตสงบรู้ว่าจิตสงบเราจะค่อยๆทวนเข้ามาหาต้นต่อหาจิตตัวเองนะในสุดเราจะจับได้จับธรรมชาติรู้ได้เรามีธรรมชาติรู้ขึ้นมาแล้วจิตตั้งมั่นรู้ขึ้นมาแล้วเราก็มาค่อยรู้กายไวเราจะเห็นในร่างกายนี้เดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวคู่เดี๋ยวเหยียดนะเคลื่อนไหวกายนี้ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่ถูกรู้ กลายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราเอดูออกไหมตรงเนี้ยะกายดูว่ากายไม่ใช่เรานี่ง่ายนะพระเจ้าบอกว่าคนนอกศาสนาพุทธก็ดูได้แต่ว่าถัดจากนั้นจะมาดูถึงจิตไม่ใช่เราเนี่ยมีแต่ศาสนาพุทธละนะนี่เราก็คอยสังเกตจิตใจจิตใจเดี๋ยวก็ไหลไปเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็รู้สึกขึ้นมาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอนะอยรู้สึกไปเรื่อยรู้ทันเรื่อยๆ จนกระทังจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่อย่งนั้นนะเนี่ยจิตเรามีสัมมาสมาธิตั้งมั่นคราวนี้สภาวะธรรมทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายเป็นของสุกรู้หมดเลยนะไม่มีตัวเราสักอันเดียวนะวิธีนี้เดินไปเรื่อยๆด้วยการมีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วครั้งสุดท้ายก็ค่อยไปดูตัวจิตผู้รู้ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทนไม่ได้ค่อยไปทาลายตัวผู้รู้ทีหลัง แต่ถ้าเราจะเดินสายของสมถะไอวิปัสสนาญาณิกนะ่ะหัดรู้เข้าไปเลยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจรู้เรื่อยๆไปเดี๋ยวมันค่อยไปรวมของมันเองหรอกไม่ต้องไปตั้งจิตผู้รู้ขึ้นมานี่ทางเดินมีหลายสายนะเวลาเรียนพร้อมๆกันมันจะยุ่งหลวงพ่อชอบสอนทีละคนสองคนแต่เยอะๆยอะยุ่งตายเลยเดี๋ยวพวก ว, วิปัสสนาญาณิกก็ไปฟังของสมถะญาณิกนะ พวกสมาถะญานี้ไปฟังของวิปัสสนาญาณิกจะตีกันตายเอาไปทําแล้วมั่วซั่วเพราะนเราจะดูกายดูจิตแค่แรกสํารวจตัวเองนะพวกโลภมากหรือคิดมากพวกโลภมากควรจะรู้กายพวกที่จะรู้กายต้องฝึกจงกระทั่งมีจิตผู้รู้ขึ้นมาส่วนพวกคิดมากคิดมากเราทําจิตผู้รู้ยากให้รู้ทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไปจิตใจมันมีความรู้สึกอะไรรู้มันไปเรื่อยๆ จิใจมีอาการอย่างไรรู้ไปเรื่อยๆรู้สองอันอันหนึ่งรู้ความรู้สึกอันหนึ่งรู้อาการของจิตความรู้สึกเช่นความสุขความทุกความเฉยๆความรู้สึกเช่นโลภโกรธหลงนี่อิจฉาริษยาอะไรนี่นี่พวกความรู้สึกอีกอานหนึ่งคืออาการของจิตเช่นจิตมันวิ่งไปทางตาจิตวิ่งไปทางหูจิตวิ่งไปทํางานทางใจรู้ทันไปเรื่อยๆเวลาจะดูจิตเราก็ดูสองอันนี้เท่านั้นเองค่อยรู้สึกไป เดี๋ยวธรรมะมันจะแจ้งขึ้นมาเองนี่พวกเราเยอะนะวันนี้ก็แต่และสำนักก็ไม่เหมือนกันซะยิ่งห <c oughs> ลวงพ่อจะพูดภาพรวมๆให้ฟังก็แล้วกันนะส่วนใครจะเดินแนวไหนเดี๋ยวค่อยสังเกตเอของตัวเองความสุดโต่งของการปฏิบัติมีสองทางทางหนึ่งเรียกว่ากามสุขันหรือการนุโยกเป็นทางที่ไหลาตามกิเลสไป ทางหนึ่งเป็นทางที่บังคับกดข่มจิตใจบังคับร่างกายตัวเองเรื่องอัตตาเกิรมาฐานุโยกเคยมีเทวดาองค์หนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคาได้อย่างไรโอคาคือตัญหานั่นเองพูดง่ายๆก็คือพระองค์บรรลุมรรคผล น, นิพพานได้อย่างไงพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนเทวดาเราข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราก็ไม่เพียรอยู่ พวกเราได้ยินแต่ว่าให้เพียรเยอะๆใช่หไหมพระพุทธเจ้าบอกท่านบนรรลุเพราะว่าท่านไม่พักแล้วก็ไม่เพียรเทวดางงบอกให้พระองค์ขยายความหน่อยท่านขยายความให้ถ้าเมื่อไร่เราพักเราจะจมลงถ้าเมื่อไหร่เราเพียรเราจะลอยขึ้นะเนี่ยเทวดาได้พระโสดาบันฟังแค่เนี้ยพวกเรายัางไม่ได้นะฟังเหมือนเทวดาละนะต้องขยายต่อไปอีก คำว่าพักอยู่เนี่ยหมายถึงการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะคือหลงไปนั่นเองหลงไปทางตาหลงไปทางหูนะเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากโน่อนอยากนี่ไปเรื่อยๆอยากหาความสุขไปวันๆหนึ่งหลงตามความอยากไปหลงตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งพวกนี้เรียกว่ากามสุขันลิกานุยโยคเนี่ยปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลส พวกนี้จะจมลงคือจะไปอาบายจะไปอาบา ย, ยาภูมิจะไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่ว่ า, ากิเลส ต, ตัวไหนมันจะพาไปเกิดไปเกิดด้วยโทสะก็ลงนรกไปไปเกิดด้วยโมหะก็ไปเป็นเดรัจฉานไปเกิดด้วยโลภะเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายไปแล้วแต่กิเลส ต, ตัวไหนจะลากเราไปเกิด ส่วนคาว่าเพียนเนี่ยคือการที่คอยบังคับตัวเองพวกเราสังเกตไหมจิตของเราไม่ดีเราจะทําให้มันดีจิตของเราไม่สงบเราจะทําให้มันสงบนี่เรียกว่าเพียนอยู่คําว่าเพียร น, นี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกพวกฤาษีชีพไรเขาฝึกจิตของเขาจนดีเนี้ยบเลยนะแล้วก็ไปลอยขึ้นไปไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปเกิดเป็นผุ่ม นี่เป็นความสุดโต2สองฝั่งสังเกตไมวันวันหนึ่งเราจะสุดโต่งอยู่สองอันนีนะ้เมื่อไรลืมตัวเองก็เพลินไปกับโลกนะสุดโต่ให้ฝั่งหนึ่งเมื่อไรคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มบังคับควบคุมจิตใจตัวเองนะหรือบางทีก็คุมร่างกายเคยหายใจมาแต่เกิดไม่เป็นไรนะพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บ ก, กาหนดลมปุ๊บอึดอัดแล้วหายใจผิดธรรมชาตนะิเคยช้อปปิ้ง ตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่เป็นไรไปเดินจงกลมไม่ได้จะตายแล้วนะก็ะไปเดินท่าทางมันเปลี่ยนไปนะใน บ, บังคับท่าเดินของตัวเองก็มีหรือบังคับใจตัวเองนะจิตใจมันเคยดีบ้างร้ายบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราต้องบังคับให้มันดีตลอดให้มันสงบให้มันสุขคิดแต่เรื่องควบคุมคิดแต่เรื่องบังคับกดข่มตัวเองไปเรื่อยๆใครควบคุมตัวเองไปเรื่อยๆ พวกนี้ดีไม่ดีเหมือนกันนะจะได้ไปเกิดในที่ดีๆเพราะว่าเป็นคนดีนะคอยควบคุมตัวเองเป็นคนดีนะปล่อยตัวเองเนี่จะเป็นคนร้ายกนะิเลสมันจะพาไปเพราะฉะนั้นควบคุมตัวเองมันก็จะไปสวรรค์ไปพรมโลกได้แต่ไปนิพพานไม่ไดนะ้ทางสายกลางจะไม่สุดโต่งไปสองข้างนี้ทางสายกลางคือการนะที่เข้าไปรู้สภาวะของความเป็นจริง คือทางของการเดินวิปัสสนานั่นเองเราจะไม่หลงไปที่อื่นในขณะเดียวกันเราจะไม่บังคับกายบังคับใจตัวเองแต่เราก็จะคอยรู้กายรู้ใจตัวเองการรู้ไม่ใช่การบังคับเราจะเห็นร่างกายจิตใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาไม่ใช่การเข้าไปแทรกแซงเข้าไปบังคับเพราะฉะนั้นจิตจะสงบก็ได้จิตจะไม่สงบก็ได้เฝ้ารู้ไปเรื่อยๆ เหมือนที่ผู้เจ้าสอนน่จิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านท่านไม่ได้บอกนะจิตฟุ้งซ่านทําให้สงบอ่ะบอกจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะให้รู้อย่างที่เขาเป็นโดยไม่เข้าไปบังคับนะไม่บังคับก็ไม่สุดโต่งไปข้างบังคับในขณะเดียวกันเราก็รู้ด้วยว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่สุดโต่งในข้างหลงวิมุตต์เราเรียกหาวิมุตต์นะ เรียกหามรรคผล น, นิพพานวิมุตต์คือความไม่ปรุงแต่งความไม่หลงความไม่อยากถ้าเมื่อไรมีความอยากอยู่ก็วิมุตต์ไม่ได้มีตัณหาอยู่เมื่อไรมีความปรุงแต่งมีสังขารอยู่ก็บรรลุมรรคผลไม่ได้เพราะนิพพานมีชื่อว่าวิราคะไม่อยากนิพพานมีชื่อว่าวิสังขารไม่ปรุงแต่งหน้าที่ของเรานะรู้ทันเลย จิตเกิดความอยากรู้ทันมันเข้าไปจิตมันแอบปรุงแต่งรู้ทันมันเข้าไปมันจะปรุงดีปรุงชั่วรู้ให้ทันมันในสุดพอรู้ทันมันจะเลิกปรุงจิตมันเลิกปรุงเนี้ยธรรมะมันก็แจ้งขึ้นมาถ้าถามว่าอะไรทําให้วิมุตต์เกิดขึ้นไม่มีใครทําวิมุตต์ให้เกิดขึ้นได้ไม่มีใครทําตัวเองให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้วิมุตต์เกิดขึ้นเองต้อมีปัญญา ปัญญาตัวนี้เป็นวิปัสนาปัญญานะไม่ใช่ปัญญาจากการคิดที่เรียกว่าจินตามายะปัญญาไม่ใช่ปัญญาจากการอ่านการฟังที่เรียกว่าสุตตมายะปัญญาแต่วิมุติเกิดจากภาวนามายะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาหนึ่งการเจริญวิปัสสนาก็คือการที่เราคอยมีสติรู้กายรู้ใจตัวเองเรื่อยๆนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้พอเราหัดรู้กายรู้ใจตัวเองนาน Lan, ๆปัญญามันเกิด คือมันเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนั่นเองปัญญาคือความเข้าใจนั่นเองเข้าใจความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเข้าใจอย่างนี้จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจ้จิตก็เข้าถึงวิมุตต์วิมุตต์เนี่ยจิตหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากเพราะอะไรเพราะความไม่ถือมั่นในกายในใจเวลาพระพุทธเจ้าใช้คําว่าวิมุตต์ท่านใช้คําอย่างนี้ท่านใช้คําบอกว่า จิตหลุดพ้นจากอาสะวะเพราะความไม่ถือมั่นนะหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสอาสะวะกิเลสจ่เป็นกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มย้อมจิตใจของเราอยู่ทั้งวันเลยถ้าเราปฏิบัติในช่วงหนึ่งเอมองออกไหมมันเหมือนเรามีอะไรครอบเราไว้ชั้นหนึ่งนี่แหละตัวอาสะวะตัวนี้ซึมซ่านย้อมจิตไปทั้งวันทั้งคืนเลยทํายังไงจะทําลายอาสะวะเนี้ท่านไม่ได้บอกให้ทําลาย ท่านบอกว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะหมายถึงอาสวะเนั้นยอมจิตไม่ติดอาสวะกระเด็นหลุดออกไปจากจิตเลยท่านบอกว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในอะไรในขันห้านั่นเองในกายในใจเพราะฉะนั้นวิมุตต์เกิดจากการที่จิตเนี่มันไม่ยึดมั่นในกายในใจหรือในขันห้าทํำยังไงถึงจะเกิดไม่ยึดมั่นได้ต้องมีปัญญา เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวดีไม่ใช่ตัวน่ายึดนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ยึดไม่ได้ถ้าจิตเกิดปัญญาเนี่ยจิตถึงจะเลิกยึดถือวิมุตถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นวิมุตตเกิดจากตัวปัญญานะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดๆเลยไม่ใช่ถึงด้วยฝีด้วยสมาธิด้วยการทาทานนะแตถึงด้วยปัญญาคือวิปัสสนาปัญญารู้ว่ารูปนามกายใจ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำยังไงถึงจะรู้ว่ารูปนามกายใจนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ต้องมาคอยรู้มาตามรู้ตามความเป็นจริงมาคอยสังเกตอยู่ดูซิสังเกตอยู่ที่กายสังเกตอยู่ที่ใจกายเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันบังคับได้จริงหรือไม่จริงอย่างบังคับได้เราหายใจเข้าอย่างเดียวที่อย่าหายใจออกบังคับได้ไหม นั่งอย่างเดียวที่อย่ายืนอย่าเดินได้ไหมมันทำไม่ได้เห็นไหมมันบังคับไม่ได้ความทุกข์บีบคั้นมันตลอดเลยมันต้องเคลื่อนที่ต้องเคลื่อนไหวหนีความทุกข์ไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันใดที่หมดแรงที่จะขยับตัวหนีความทุกข์ไปนะความทุกข์จะขยี้จนร่างกายนี้แตกสลายเลยนะความทุกข์ท่วมมากๆตายเลยนะนี่มาตามรู้กายเห็นกายมันเป็นทุกข์นะมาตามรู้จิตใจล่ะจิตใจแปรปรวนตลอด เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลตามรู้วความจริงจนใจมันประจักษ์กับความจริงเป็นเกิดปัญญาแล้วมันจะปล่อยวางความยึดถือใจไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือความรู้สึกนี่ถึงจะหลุดพ้นได้เพราะเราหลุดพ้นด้วยปัญญารู้ความเป็นจริงของกายใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคราวนี้มาถึงว่าปัญญาเกิดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอีก สัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิหลวงพ่อพูดไปหลายทีแล้วนะสัมมาสมาธิไม่ใช่แปลว่าสงบนะสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตต้องอยู่กับเนื้อกับตัวจิตต้องอยู่กับกายกับใจตัวเองเราถึงจะตามรู้กายรู้ใจได้เมื่อตามรู้กายรู้ใจเนืองๆปัญญามันถึงจะเกิดได้คือเข้าใจความจริงของกายกับใจได้ถึงจะปล่อยวางแล้วก็วิมุตถึงจะเกิดได้ เพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิก็คือการที่จิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับตัวเองนะไม่ใช่ไปตั้งอยู่ที่อื่นอย่างเห็นคนเดินมาไปดูเขาเนี่ยจิตใจไปตั้งอยู่ที่เขานะเห็นสาวถวยด้วยดูไม่คลาดสายตาเลยบอกมีสมาธิในการดนะูมันไปตั้งมั่นเหมือนกันอย่างอาา่งนะอ า, หานหนังสนะืออ่านหนังสือนี่มีสมาธิไหมจิตใจตั้งมั่นอยู่กับหนังสือเลยไม่ไปที่อื่นเลยมีแต่ไม่ใช่การตั้งมั่นรู้กายรู้ใจตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธิ เป็นสมาธิธรรมดาคนจะไปดักยิงหัวคนอื่นเนจ้องไม่คลาดสายตาเลยมีสมาธิไหมมีเห็น ไ, ไหมตรงนั้นสมาธิเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลก็ยังได้เลยแต่สัมมาสมาธิรู้กายรู้ใจตัวเองนี่ยเกิดจากกุศลเท่านั้นเกิดจับมหากุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักสัมมาสมาธิคือจิตใจอยู่กับตัวเองอย่าลืมตัวเองไปอย่าทิ้งตัวเองสัมมาสมาธิจึงจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา แล้วอะไรเป็นเหตุใกล้ของสมาสมาธิตามทันไหมหลวงพ่อไล่มาตั้งแต่วิมุตินะวิมุติมาได้เพราะมีปัญญาปัญญามีได้เพราะว่าตามรู้กายรู้ใจหรือวิปัสสนาจะทํำวิปัสสนาได้จิตต้องตั้งมั่นมีสมาสมาธิจิตอยู่กับตัวเองนะทำไมจิตถึงอยู่กับตัวเองทําไมสมาธิถึงเกิดอะไรเป็นเหตุใกล้ของสมาธิความสุขเป็นเหตุใกล้ของสมาธิอย่างบางคนชอบอ่าน กำลังภายในนะอ่านได้ทั้งคืนเห็นไหมมันมีความสุขมันได้จดจ่อการอ่านบางคนชอบเล่นไพ่เล่นได้ทั้งคืนเลยนะเพราะมันมีความสุขกับการจะเล่นนะแต่ถ้าคนไหนมาคอยรู้กายรู้ใจสติเกิดขึ้นมาแล้วตัวเองมีความสุขจิตใจแช่มชื่นเบิกบานด้วยการที่มีสติขึ้นมานะจิตใจมันจะอยู่กับตัวเองเพราะมันมีความสุขที่จะรู้ตัวเองนี่ทําไงถึงจะเกิดความสุขในการรู้ตัวเองนะ เมื่อไรสติเกิดขึ้นจิตจะเป็นกุศลเมื่อไรจิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุขแม่ธรรมะของผู้เจ้านะร้อยเป็นสายโซ่เลยร้อยกัมาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นหลวงพ่อกําลังจะพาไปดูว่าต้นทางของการปฏิบัติจริงๆอยู่ที่ตรงไหนนะตั้งแต่วิมุตต์ไล่ลงมานะวิมุตต์เกิดจากปัญญาปัญญาเกิดเจอวิปัสสนาวิปัสสนาเกิดได้เพราะจิตตั้งมั่นอยู่กับตัวเองคือสัมมาสมาธิ สมาสมาธิเกิดได้เพราะว่ามันมีความสุขที่จะรู้ตัวเองความสุขนี้มาได้ยังไงความสุขเกิดเพราะว่าจิตดวงนั้นอ่ะมันมีกุศลและจิตเป็นจิตที่มีกุศลจิตถึงจะมีความสุขถ้าเมื่อไราจิตของเราทื่อๆซึมๆแข็งๆนะนั่นอกุศล น, นะเราจะไม่มีความสุขที่จะรู้ตัวเองแต่จะหนีไปรู้อย่างอื่นเช่นหนีไปรู้ลมหายใจลมหายใจไม่ใช่ตัวเองนะหนี้ไปแช่อยู่กับอารมณ์แดนหนึ่ง เนการหนีโลกไปหาความสุขอีกโลกหนึ่งหรือหนีไปดูหนังฟังเพลงนี้หนีไปหาความสุขแต่ถ้าเราเมื่อไรเราสามารถมีสติสติคือความระลึกได้อะไรแ ป, ปรปลอมขึ้นทางกายก็รู้ทันอะไรแ ป, ปรปลอมขึ้นในจิตก็รู้ทันเช่นโภษาเกิดขึ้นที่จิตสติรู้ทันปั๊บโภษาจะดับทันทีเพราะสติเนี่ยทาหน้าที่อารักขา สติเนี่ยผลของการมีสติคือการอารักขาหมายถึงสติเป็นเครื่องรักษาจิตใจไว้ไม่ให้ตกไปสู่อารมณ์ที่ชั่วไม่ให้ตกไปสู่อกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อไร่มีสติเมื่อนั้นจิตจะเป็นกุศลอย่างฉับพลันโดยที่ไม่ต้องแกล้งทำจิตจะเป็นกุศลทันทีที่เกิดสติขึ้นมาทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุขทันทีเลยเพราะมหากุศ ล, ลจิตมีเวทนาสองอย่า ง, า ง, างคือสมนัสเวทนาเบิกบานใจ เคยรู้สึกไหมอย่างเราเผลอๆ อ, อยู่พารู้ทันนะมันเบิกบานขึ้นมานะเพราะจิตมันเกิดสติจิตเกิดกุศลจิตมีความสุขในฉับลันนั้นเลยนะเวทนาอีกชนิดหนึ่งของมหากุศลจิตก็คืออุเบกขาแต่ไม่ใช่อุเบกขาแบบทื่อๆนะเป็นอุเบกขาที่จิตใจเนี้นุ่มนวลอ่อนโยนเองแต่ไม่หวือหวาขึ้นมาเท่านั้นเองนะไม่มีความสุขหวือหวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นอุเบกขาก็จัดอยู่ในกลุ่มของความสุขเหมือนกัน คือมันไม่ถูกความทุกข์บีบคั้นไม่จิตใจมันมีความสุขอยู่กับตัวเองสมาธิมันก็จะหยั่งลงไปที่ตัวเองจะคอยรู้ตัวเองนี้มาถึงปัญหาว่าสติเกิดได้ยังไงเอาสติคืออะไรก่อนสติรุ่นหลังๆไปแปลว่ากำหนดรู้กำหนดรู้ไม่ใช่สตินะคำดั้งเดิมในพระตปิฎกที่เราใช้กันมาตั้งแต่โรบโราณคือความระลึกได สติคือความระลึกได้นะำปัปชัญญาคือความรู้ตัวฉะนั้นะสติไม่ได้แปลว่ากำหนดรู้กำหนดรู้นี่เบื้องหลังการกำหนดคือโลภะคือตัณหาอยากรู้ก็เลยไปกำหนดรู้ไปจงใจรู้สติจะไม่จงใจรู้สติจะเกิดขึ้นเองนะมันจะระลึกขึ้นมาเองสติคือความระลึกได้เช่นโทสะเกิดขึ้นมาปับ๊บสติระลึกได้ว่าอ้าวโทสะมาแล้วนี่หน้านที่ของสติ พอสติระลึกได้ว่าโทสะมาปั๊บโทสะจะขาดเลยดับทันทีจิตเบิกบานทันทีเลยมีความสุขพอมีความสุขจิตจะตั้งมั่นอยู่กับตัวเองเลยนะก็จะรู้กายรู้ใจได้นะจนกระทั่งปล่อยวางได้วิมุตต์ได้เพราะสติคือความระลึกได้ทำยังไงถึงจะระลึกได้อะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินี่หลวงพ่อไล่มาเป็นทอดๆตามทันไหม อะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอะไรเป็นเหตุใกล้ของวิมุตต์นะวิมุตตเกิดจากปัญญาปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญานะความสุขในอารมณ์ฝ่ายกุศลนะสุขเพราะมีสติเนะี่ยเป็นเหตุใกล้ของสัมมาสมาธนะินีสติลอะไรทาให้เกิดขึ้นนะสิ่งที่ทำให้สติเกิดขึ้นคือการจาสภาวะธรรมได้แม่นยา เช่นเราเคยรู้จักแล้วว่ากโกรธเป็นยังไงพอความโกรธเกิดขึ้นนะมันจะระลึกได้เองเลยว่าอ้าวโกรธแล้วถ้าเราเคยเผลอนะมาเรียนที่นี่หลวงพ่อชอบไล่จี้เวลาเผลอเผลอไปแล้วรู้ไหมแอบไปคิดแล้วรู้ไหมนี่ก็คือการหัดให้รู้จักสภาวะ น, ะนั่นเองต่อไปพอเรารู้แล้วว่าหนีไปคิดเป็นอย่างงี้พอมันหนีคิดปุ๊บสติจะเกิดเองเกิดรู้ทันขึ้ น, นมาว่าอ้าวหนีไปคิดแล้วหรือเราใจลอย ใจลอยอยู่เกิดรู้ทันขึ้นมาว่าใจลอยนี่เรียกว่ามีสติขึ้นมาเมื่อสติเป็นความระลึกได้เราจะระลึกถึงสิ่งใดได้ต้องเคยรู้จักสิ่งนั้นนี่มาถึงจุดที่จะเข้าสู่ต้นทา ง, งการปฏิบัติละ่ะทํำยังไงเราจะรู้จักสภาวะธรรมเมื่อจิตมันจําสภาวะธรรมจํารูปนามได้แล้วนี่สติจะเกิดเองแล้วศีลสมาธิปัญญาวิมุตติก็จะเกิดตามมา จะจำสภาวะได้ต้องเคยเห็นสภาวะบ่อยๆการเห็นสภาวะบ่อยๆเช่นเห็นกายของเราบ่อยๆเห็นเวทนาบ่อยๆเห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลบ่อยๆการรู้บ่อยๆท่านเรียกว่าอนุปัสสนาเ น, นี่ยเองกายอานุปัสสนาคือการตามรู้กายตัวเองอยู่เนืองๆตามรู้จนกระทั่งจิตมันจำสภาวะของรูปได้ว่ารูปยืนเป็นอย่างนี้รูปนั่งรูปนอนรูปคูรูปเหย็ดนะ รูปที่หายใจเข้ารูปที่หายใจออกเป็นอย่างงีนะ้ต่อมาพอเราเผลอนะเช่นเราเคยหัดกระดุ ก, กระดิกเราเคยรู้สึกตัวเรื่อยๆนะคอยรู้สึกไว้อย่าใจลอยให้หัดสังเกตอยู่ที่ตัวเองนะต่อมาพอเราเผลอ <Thank you. S 1> เห็นเพื่อนเดินมาแต่ไกลนะักขยับจะวิ่งไปคุยกับเขานะพอเท้าเราไหวตัวเท่านเองจิตมันเคยจําสภาวะของรูปที่เคลื่อนไหวได้สติจะเกิดเองเลยอ้าเมื่อกี้เผลอไปละจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาหน่ย เราจะเห็นเลยว่าไอตัวที่กาลังเดินไปคุยกับเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นรูปธปรรมมันหนึ่งเป็นก้อนธาตุก้อนหนึ่งที่มันเดินไปโน่นนะหรือถ้าเราจำสภาวะของความรู้สึกได้ความสุขเป็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นนี้นะโลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้นะถ้าเราจำได้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยสติมจะเกิดเองบางคนบอกว่าดูจิตยากมันจะยากอะไรถามว่ารู้จักโกรธไหมรู้จักใช่ไหมรู้จักกลัวไหม นะรู้จักอิจฉาไหมนะรู้จักไหมแต่และอย่างแต่และอย่างรู้จักทั้งนั้นเลยนะพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกอะไรก็รู้จักทั้งนั้นเพียงแต่ว่าผู้ไม่ปฏิบัติเนี้ยนะพอความรู้สึกอันใดเกิดขึ้นมันรู้ช้าไปนะเช่นสมมติว่าโกรธเอเมื่อเมื่อวานนี้วันนี้เพิ่งนึกไดนะ้เพิ่งนึกได้ว่าเมื่อเมื่อวานโกรธเนี่ยใครๆก็นึกได้แต่มันนึกช้าไปนะผู้ปฏิบัตินึกให้มันไวๆหน่อย หมายถึงพอโกรธแล้วรีบรู้ไว้ๆว่าอ้าโกดแล้วนะอย่างนี้เรียกว่ามีสติเพราะฉะนั้นเวลาความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเรานะให้คอยรู้เนืองเนืองการรู้เนืองเนืองนั่นแหละเรียกว่าจิตตานุ ป, ปัสนาปัสนาแปลว่าการรู้อนุปว่าตามนะตามรู้เนืองเนืองซึ่งร่างกายตามรู้เนืองเนืองซึ่งเวทนาตามรู้เนืองเนืองซึ่งจิตเพราะฉะั้นถามว่าสติปัฏฐานทําไปเพื่ออะไรตอบได้ไหม สติปัฏฐานทำไปเพื่อให้เกิดสตินะเราหัดรู้กายหัดรู้ใจเรื่อยๆเจอทั่งจิตมันจำสภาวะของกายใจได้นะพอสภาวะของกายเกิดเช่นเกิดขยับตัวกำลังเผลอๆอยู่ขยับซับเนี่ยสติมันจะตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกขึ้นมาทันทีที่สติตื่นนี้จิตใจจะร่าเริงเบิกบานขึ้นในฉับพลันเลสว่างรู้ตื่นเบิกบานนะสงบสะอาดสว่างปรากฏขึ้นในฉับพลันนั้นเลย จิตใจจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวในฉับตานนั้นเลยแล้วมันจะเห็นทันทีความรู้สึกนะนึกคิดทั้งหลายหรือรูปกายเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนะัตตาไม่ใช่เราจะเห็นเลยมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเนะี่ยปัญญาค่อยๆพอกพูนสะสมในที่สุดรู้ความจริงไม่ใช่ของเราหรอกนะจิตจะปล่อยวาง เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าต้นทางการปฏิบัติจริงๆอยู่ที่ไหนต้นทางการปฏิบัติจริงๆอยู่ที่การเจริญสติปัฏฐานอย่าไปวาดภาพการเจริญสติปัฏฐานให้มันลึกลับนะการเจริญสติปัฏฐานนั้นทำไปเพื่อสองสิ่งเท่านั้นอันที่หนึ่งทำไปเพื่อให้เกิดสติอันที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาทำไปเพื่อให้เกิดสติคือหัดรู้กายรู้ใจเรื่อยๆสติมันจะเกิดเอง พอมีสติแล้วเนี่ยมันก็มารู้กายรู้ใจนั่นแหละเนี่ยคือการทำสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาคือเกิดความเข้าใจงั้นสติปัฏฐานทาไปเพื่อสติเพื่อปัญญามีสติมีปัญญาตัณหาและทิจิครอบงำจิตไม่ได้จิตก็หลุดพ้นเอาเองนะเข้าใจไหมนี้ทำยังไงจะตามรู้กายได้คราวนี้มีเงื่อนไขแล้วนะทำจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาก่อนทาความสงบให้พอนะ แล้วมารู้กายทำไงจะรู้จิตได้รู้เข้าไปเลยรู้เข้าไปตรงๆเลยนี้เป็นเส้นทางสองสายของสมถยานิกและวิปัสสนาญานิกนี่เป็นภาพรวมนะภาพรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่เบื้องต้นเลยของการปฏิบัติเบื้องต้นต่ํายิ่งกว่านั้นนะก็ยังมีนิดหน่อยรักษาศีลไว้ก่อนรักษาศีลห้าไว้ก่อนศีลเป็นข้อๆรักษาไปก่อนะ ต่อมาก็มาหัดสังเกตกายสังเกตใจตัวเองเรื่อยๆอย่าใจลอยไปนานให้คอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆรู้ไปถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดสติเกิดแล้วต่อไปปัญญามันเกิดจิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่กับตัวเองจิตใจของเราไม่ชอบอยู่ที่ตัวเองรู้สึกไหมอย่างเนี้ยจิตมันชอบไปคิดรู้สึกไหมตอนที่คิดก็ลืมตัวเองตอนที่ไปดูก็ลืมตัวเองตอนไปฟังก็ลืมตัวเอง บางคนไปถามการปฏิบัติกับหลวงปู่ดูลงหลวงปู่เอาสั้นๆปฏิบัติเนี่ยทํำยังไงนะหลวงปูป่บอกเอาสั้นๆเหรอก็อย่าส่งจิตออกนอกอย่าหลงไปทางสวารทั้งหกอะไรก็คือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้แล้วมันก็เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงก็ปล่อยวางได้นะสรุปแล้วนะการปฏิบัติไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งบังคับตัวเองซึ่งเป็นความสุดโต่งไปฝั่งฝั่งหนึ่งนะ การปฏิบัติไม่ใช่การปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามใจกิเลสนั่นก็สุดโต่งไปอีกฝั่งหนึ่งการปฏิบัติมีแต่ว่าคอยรู้กายรู้ใจตัวเองเนืองๆจนสติสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นมาอา้าวใครจะถามอะไรเชิญไม่ถามจะได้เลิก <laughs> ย่านสุรวัตรเป็นไงทาลูกฝตมากี่คนลูกฝิหรือป่า โอ้หลวงพ่อไม่รับ <c oughs> หรอกบางนคนนะชอบอ้างเป็นลูกฝิดหลวงพ่อยังไม่รู้เลยหลวงพ่อสอนอะไรแล้วต้องใช้คํำหยาบคายแลวเสล่ไปบอกครูบาอาจารย์หลวงพ่อปราโมทบอกว่าไม่ต้องเดินจงกรมนัวเองขี้เกียจเดินสิหลวงพ่อปราโมทอะไรบอกไม่เดินจงกรมหลวงพ่อปราโมทอะไรสอนบอกไม่นั่งสมาธิ หลวงพ่อประโมทสอนบอกว่าจะยืนเดินนั่งนอน่ะให้มีสติไว้เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัติเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นก็ขาดการปฏิบัตินี่ไม่ใช่หลวงพ่อประโมทสอนด้วยหลวงปู่มั่นสอนอย่างนี้รุ่นหลังๆเราเริ่มทิ้งสติแล้วนะเยรู้สึกไหมสมัยก่อนที่หลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะยังของนวดท่านเลนวดนว ด, นวดท่านนะใจหนีแวบถูกด่าเลยนะไม่เต็มใจจะนวดก็ไม่ต้องนวดหรอก นะเมื <c oughs> ่อก่อนเขาเรียนกันอย่างนี้นะเรียนให้มันมีสตินะรุ่นหลังๆไปเรียนเอานิมิตกันล้วกระทั่งจิตผู้รู้ยังไม่มีเลยไม่สนใจกันละวแล้วนะทิ้งสิ่งที่เป็นแก่นสารไปเอาสิ่งซึ่งไม่มีแก่นสารแทนนิมิตชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าฝันให้ <c oughs> อคอยรู้สึกตัวไว้นะเอ นะรู้สึกตัวไม่ใช่บังคับให้รู้สึกนะเข้าใจที่หลวงพ่อบอกแล้วใช่ไหมนะเห็นรูปมันไหวไหมเมื่อกี้เนี้ยตรงที่พยักหน้านะเนี่ยหนีไปคิดทราบไหมนะเห็นไหมว่าพอทราบจิตตื่นขึ้นมารู้สึกไหมจิตสว่างขึ้นมาเลยนะนี่แหละคือตัวสติตัวจริงแหละนะอย่าขนาดเนี้หลงอีกแล้วทราบไหมหลงคิดแล้วอ่านะไม่ซึมนะฝึกอยากให้ซึม พวกเรารุ่นหลังๆนะเข้าไปเรียนสมาธิเรียนเอาสมาธิซึมกันมาหมดแล้วนะอย่าลืมที่หลวงปู่สุวัสดิ์สอนนะหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวสิ่งที่สําคัญคือความรู้สึกตัวต่างหากไม่ใช่คือหายใจนะหายใจเป็นเครื่องกระตุ้นความรู้สึกตัวเท่านั้นเองเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติเลยทันทีที่รู้สึกตัวขึ้นมาอากุศลถูกละไปแล้ว จิตเป็นกุศลจับพลันเลยกิเลสครอบงำจิตไม่ได้จิตเป็นศีลนะมีศีลเรียบร้อยแล้วพอกิเลสครอบงำจิตไม่ได้จิตก็ไม่ได้มีความอยากดูอยากฟังอยากคิดจิตก็ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่ถูกความอยากลากไปทางสวารทั้งหกเห็นไหมแค่มีสติขึ้นมาสัมมาสมาธิก็เกิดแล้วนี่พอจิตอยู่กับเนื้อกับตัวรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจความจริงปัญญาคือความเข้าใจนะ ปัญญาคือความเข้าใจสติเป็นความรู้ทันความระลึกได้รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วปัญญามันเข้าใจรู้ทันบ่อยๆก็เข้าใจไปเองส่วนการนั่งคิดนั้นไม่ใช่ทําความเข้าใจนะมันเป็นจินตามยปัญญาเป็นปัญญาอีกชนิดหนึ่งพอคิดได้ก็ได้ความคิดสินะหรือไปอ่านหนังสือมาอ่านธรรมะ ม, มาได้อะไรได้ความจํามาฟังหลวงพ่อถ้าฟังลูกเดียว ก็ได้ความจําอีกหลยนะถ้าอยากได้ความจริงต้องไปดูของจริงคือกายกับใจของเราที่เป็นปัจจุบันเนี่ยของจริงไม่ใช่กายเมื่อวานด้วยนะกายเมื่อวานเป็นความจำํำนะไม่ใช่กายพรุ่งนี้ด้วยนั่นเป็นความคิดเรากายปัจจุบันรู้ลงไปเรื่อยๆรู้ลงไปจนเห็นเลยเห็นประจักษ์ต่หน้าตะตารู้สึกอย่างลึกซึ้งด้วยใจของเราเองเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะกายก็ไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราคนไหน สามารถเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราก็จะได้ผโสดาบันอย่าไปนึกว่าโสดาบันไกลฝุดกู่นะเราชอบไปวาดภาพมรคนิพพานอยู่ไกลๆธรรมะ ก, ก็อยู่ไกลๆต้องทําอีกนานๆถึงจะเจอมัวแต่ทําอยู่มันจะเจอได้ไงหยุดทําสิหยุดลงมาหยุดปรุงแต่งเดี๋ยวก็เจอมัวแต่ปรุงแต่งฝ่ายกุศลก็คือสิ่งที่พระเจ้าบอกเทวดาคือเพียนอยู่เพียนั้นนั้นเป็นมิจฉาวายามะนะ เบื้องหลังของมิจฉาวายามะคือตัณหาอยากรู้ธรรมะ ก, ก็เลยขยันปฏิบัตนะิเบื้องหลังก็คืออยาก น, นั่นเองส่วนสัมมาวายามะเบื้องหลังไม่ใช่ตัณหาเบื้องหลังของสัมม า, า ว, วายามะคือสติทันทีที่เกิดสติอกุศลถูกละไปแล้วกุศลเจริญขึ้นแล้วนี่สัมมาวายามาละล่ะหนีไปไหนดูออกไหมนะหนี เออตื่นขึ้นมางงไหมไม่งงก็แปลกแล้วเนาะเพราะหลวงพ่อไม่สอนตามใจนะญาติโยมมีหน้าที่ฟังให้รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องมีหน้าที่ฟังแล้วฟังอีกหรือไปอ่านแล้วอ่านอีกไม่ใช่หน้าที่ของหลวงพ่อนั่นะเรียกว่าหลงจิต นะเรียกว่าหลงเออไม่ต้องถามเสียเวลาพอ <c oughs> ถ, ถามไม่ได้คําตอบเป็นนึกว่าได้ความรู้ไม่ได้นะได้ความจำํำนะโยนทิ้งไปเลยความความฉลาดรอบรู้ทั้งหลายโยนทิ้งไปเลยไม่เอาแ ล, แล้วเราเอาความจริงให้เห็นโลกปัจจุบันกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเชอรี่หนีไปไหนหนีกลับสวนหรือเปล่า <c oughs> อติไม่ทําดีนะคุณหมอรังสรรค์เป็นไงหมอนี้ดูเครียดๆ อ, อย่าเร่งความเพียร น, นะอย่าอยากปฏิบัตินะยิ่งอยากปฏิบัติยิ่งเร่งความเพียรยิ่งช้าหัดรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆมันเร่งไม่ได้หรอกเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นก็รู้เมื่อไหร่ขาดสติก็ไม่ได้รู้ หลวงูมั่นถึงสอนเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรมีสัมมาวายามะเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นไม่มีความเพียรอย่าบังคับมันนะคือเดินมานในวิปัสสนาแล้วก็ไม่ได้ทสาไวตรงๆืม่่นวันหนึงรู้สึกว่าสิ่งเม่ตมัมากมากอืม คือคืออย่างนี้ผู้เจ้าสอนนะว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญายิ่งคือสมถะและวิปัสนาทั้งสองงานนะควรเจริญแต่ต้องเจริญด้วยปัญญายิ่งหมายถึงว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรจะทําอย่างไรต้องรู้ชัดนะในขณะที่เราตามรู้กายรู้ใจเรื่อยๆนะบางทีจิตมันอ่อนล้าต้องการพักผ่อนต้องการพักผ่อนเราทําสมถะเพราะสมถะ ท, ทำเพื่อพักผ่อน วัตถุประสงค์ของสมาธิคือพักผ่อนวัตถุประสงค์ของวิปัสสนาคือรู้ความจริงนะนี่ทํายังไงจิตจะได้พักผ่อนจิตปกติจับอารมณ์โน้นทีอารมณน์นี้ทีนี่ไม่ได้พักผ่อนนะอยากให้พักผ่อนก็ให้จิตมาจับอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะนี้มีเคล็ดลับจิตเมื่อกี้หลวงพ่อกขาบอกไปทีนะว่าสมาธิเกิดจากความสุขเพราะงั้นถ้าเราต้องการให้จิตใจของเราตั้งมั่นมีสมาธิอยู่ต้องมีความสุขในการปฏิบัติ นะเคล็ดลับของการทำสมาธิถึงต้องทำอย่างมีความสุขถ้าเริ่มต้นด้วยการบังคับจะให้สงบเนี่ยจะหาความสงบไม่ได้เลยหลวงพ่อพุธถึงบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจอย่าตั้งใจให้สงบนะทำเล่นๆทำไปอย่างสบายเช่นหายใจเข้าให้ที่ออกรู้ไปอย่างสบายๆเดี๋ยวเขาสงบแป๊บเดียวแต่ถ้าจิตไม่สงบบังคับให้สงบจิตไม่มีความสุขเพราะถูกบังคับไม่สงบหรอกนะ นี่ตับมาถ้าจิตใจของเราพักผ่อนชุ่มชื่นแนละ้วจิตใจมีความสุขถ้าจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุเนียเราเข้าวิปัสสนาละวนะยังไม่ใช่ว่าวิปัสสนาต้องทำอันเดียวห้ามทำสมถะไม่ใช่แต่จะทำในระดับของความลึกขนาดไหนถ้าต้องการจะเดินกายต้องทำสมถะลึกนิดหนึง่งนะจนจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเลยนะแต่ถ้าต้องการเดินด้วยแนวของดูจิต ของวิปัสสนาญาณิกเนี่ยเวลาจิตมันอ่อนล้าก็พักผ่อนมานิดหน่อยนะเช่นทําความรู้สึกสบายๆก่อนเคล็ดรับเลยต้องสบายสบายหายใจไปเรื่อยๆหายใจอย่าให้ขาดสตินะแต่ว่าไม่ใช่บังคับทำเล่นๆเดี๋ยวก็มีความสุขขึ้นมามีสบายมีความสบายใจรู้ว่าสบายใจก็เข้าวิปัสสนาแล้วจิตจะไม่สายถ้าสายมากๆดูไม่รู้เรื่อง เพราะงั้นไม่ว่าเราจะเดินด้วยสมถะญาณิกหรือวิปัสนาญาณิกเราต้องรู้ทั้งหบทเรียนทั้งสามเลยศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแล้วเลือกใช้ให้เป็นหลวงพ่อถึงบอกไม่มีวิธีปฏิบัติอันใดอันหนึ่งที่ดีวิเศษที่สุดไม่มีเลยมีแต่วิธีที่เหมาะสําหรับแต่ละคนทางอีสานนะเขมีสำนวนหรเอ๊เคยได้ยินไหมที่บอกว่าคนหลายคนไปกินน้ําบ่อเดียวกันนะ่ะ นะเดินทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบรอยกันคือเดินไปสู่นิพพานอันเดียวกันนะแ ต, แต่แต่ละคนมีทางเฉพาะตัวนะแล้วทางนี้เป็นทางสายเดียวด้วยทางสายเดียวที่พระพุทธเจ้าบอกเนะจะเดินแล้วไม่เหยียบรอยกันเลยคือเรียนแบบกันไม่ได้นี่ของเรารุ่นหลังๆนี่ยชอบเรียนแบบกันไปทําเหมือนๆกันเป็นกลุ่มๆนะอที่มารวมเป็นกลุ่มๆเนี่ยถ้าดูสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ ท่านมารวมกลุ่มกันเพื่อเรียนปริยัตินะฮไอมาเรียนปริยัตคือมาฟังพระพุทธเจ้าสอนว่าวิธีปฏิบัติทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะเมื่อปฏิบัติเป็นแล้วรู้วิธีปฏิบัติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไล่เลยโน่นโคนไม้นู่นป่านู่นเรือนว่างนะไปหาที่ทำเมาเฉพาะตัวของเราชอบทําเป็นทีมนะเดี๋ยวเนี้ยเวลาจิตของเราตอนเนี้ยจิตเราอยากจะทําสมาธิอ่ะอ้าวเขาจะทําวิปัสสนากัน ต้องนากับเขาบ้างนะถึงเวลาเราจะเจริญปัญญาเขาจะนั่งสมาธิกันอีกแล้วถึงเวลานี้แมมจิตเรากำลังดีเลยนะสติปัญญาหมุนจีขึ้นมาแล้วเขาเคาะระครังแล้วได้เวลาสวดมนต์เนะมื่อไหร่มันจะได้นะไเดินเฉพาะตัวนะฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่อง ทางสายนี้ไม่ใช่ปล่อยตามใจกิเลสทางสายนี้ไม่ได้บังคับตัวเองแต่ให้คอยรู้กายรู้ใจเนืองๆรู้ไปเรื่อยๆนะรู้ไปเท่าที่รู้ได้ทีแรกก็รู้ได้ใจของหยับๆยาบเช่นโกรธแรงๆถึงจะรู้แต่ไปขัดใจนิดหน่อยก็เห็นแล้วรู้เล่นๆรู้สบายๆอย่าถลำลงไปรู้รู้ด้วยใจที่รู้สึกตัวตั้งมั่นอย่ากระโจนลงไปรู้เนี่ยมันมีรายละเอียดต้องเรียนเยอะนะค่อยๆเรียนไป เรียนวันเดียวหลวงพ่อสอนได้แต่เรารับไม่ได้หรอกนะี่ค่อยๆฟังไปต้องใช้เวลาเบื้องต้นเนี่ยหัดรู้เบื้องต้นเนี่ยหัดรู้จับใจของเราไว้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมานะค่อยรู้เรื่อยๆนอกจากหัดรู้ความรู้สึกของเราแล้วใจเราชอบฉลบซ้ายฉลับขวารู้สึกไหมฉลับวับแวบวับแว บ, วบเรื่อยๆให้รู้ทันมันไม่ใช่ไปดึงให้นิ่งนะให้รู้เฉยๆห้ามดึง เรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราเราจะเรียนจนเห็นว่ากายกับใจมันไม่ใช่ตัวเรานะเรื่องมั่นนะไม่ใช่เรื่องของเรานะเรามีหน้าที่รู้มันอย่างที่มันเป็นจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรานะบางคนบอกหลวงพ่อสอนอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องนะบอกที่จริงหลวงพ่อสอนให้หัดดูสภาวะนะ เหอเป็นอย่างนี like like like ้นะคิดเป็นอย่างนี้เพ่งเป็นอย่างนี้ใจลอยเป็นอย่างนี้โลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้หัดรู้จักไปเมื่อเรารู้จักมากขึ้นมากขึ้นสติเราจะเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วสติเกิดจากการจําสภาวะได้พลสติเกิดเราไม่ต้องมาถามแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะมันเป็นเองแหละหลวงพ่อไปหาหลวงพูดูน่ะหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เจ็ดขวบนะทําสมาธิทำมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดแล้วมั่งนะ หายใจเข้าหายใจออกเรียนจากวัดอโศนะท่านพอดีไม่ใช่ท่านไม่ดีนะแต่ว่าเราเด็กมากไม่ได้ไปเรียนกับท่านบ่อยนะไปเรียนมาได้แต่ว่าเ อ, อหายใจเข้าหายใจหายใจไปเคลิ้มเคลิ้ ม, มไปเห็นนูน้นเห็นนี่ไปฝันไปเนะ่ะฝันไปหลายๆทีชักกลัวผีเกิดไปเจอผีจะทํทำยังไงนะต่อไปนั้นเลยไม่ยอมให้จิตหลุดออกไปเลยหายใจแล้วค่อยรู้สึกไปรู้สึกเรื่อยๆแต่ก็ได้แค่เนี้ยเดินปัญญาต่อไม่เป็นนะไม่มีครูบาอาจารย์ รู้ด้วยตัวเองก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าจนวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่ดูลมาคลานไปหาท่านเลยไปหาท่านที่แรกกลัวนะโอ้ท่านเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟ้านอีกน่ากลัวขนาดไหนคนหลวงปู่ฟ้านคนยังกลัวเลยนี่หลวงปู่ดูลอาจารย์ใหญ่รุ่นอาจารย์สิงห์นนไปหาท่านหลวงปู่อยากปฏิบัติผมอยากแก่ปฏิบัติหลวงปู่สอนมาคาเดียว อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองตั้งแต่หลวงพ่อได้ยินคํานี้หลวงพ่อเลิกคําว่าปฏิบัติเลยลืมคําว่าปฏิบัติไปแล้วแต่มาอ่านจิตตัวเองรู้สึกมันน่าเรียนรู้อย่างเลย่นะมันน่าสนใจเราเรียนาศาสตร์สาขาอื่นๆทางโลกปริญญาอะไรก็ได้หลายใบนะแต่ทําไมเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตตัเองพอหลวงปู่บอกให้ดูหัดมาอ่านจิตตัเองนะมานั่งอ่านเรื่อยๆ วันนี้มันเล่นบทรักวันนี้มันเล่นบทโศกวันนี้มันเล่นบทยักษ์มารโมโหโทโสนั่งดูมันเล่นละครให้เราดูทั้งวันเลยทําตัวเป็นนักอ่านนักอ่านหมายถึงว่าหนังสือมันเป็นยังไงอ่านมันไปตามนั้นท่านไม่ได้ให้สอนว่าเป็นนักประพันนะเพราะงั้นอย่าไปนั่งแต่งจิตนะจิตมันเป็นยังไงอ่านมันเป็นอย่างนั้นรู้มันไปอย่างนั้นแหละ จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวมีราคะโทสะโมหะเปลี่ยนเรื่อยๆนี่อ่านไปถึงบทรักก็รักถึงบทกโกรธก็โกรธนะดูไปเรื่อยๆแล้วท่านก็ไม่ได้บอกให้เป็นนักวิจาร์หนังสือด้วยนะไม่ใช่พอความกโกรธเกิดขึ้นความกโกรธไม่ดีนะความกโกรธไม่ดีนําความทุกข์มาให้นะนี่ยนักวิจารณนะไปให้ค่าความกโกรธว่าไม่ดีวันนี้จิตเกิดกุศล กูสนดีเนี่ยนักวิจาร์งั้นอย่าทำตัวเป็นนักวิจาร์นะหลวงพ่อยอมให้เป็นแค่นักภาคนะอะไรเกิดขึ้นมันจะภาคเรื่อยๆทำไมถึงยอมให้ภาคเพราะห้ามไม่ได้มันภาคให้มันภาคนิดหน่อยนะแต่อย่าไปช่วยมันภาคช่วยมันภาคเนี่เริ่มไปวิภาควิจารหนังสือแล้วท่านให้อ่านหนังสือท่านไม่ได้ให้เป็นนักประพันธ์ท่านไม่ให้ได้เป็นนักวิจาร เพราะฉะนั้นอ่านใจตัวเองหลวงพ่อรู้สึกว่าการอ่านใจตัวเองน่าสนใจจังเลยนะเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจพอคิดว่ามันน่าสนใจเนี่ยไม่ขยันดูแต่เนี่ยเราคือตัวฉันทะตัวจริงอ่ะหลวงพ่อไม่ได้อยากดูเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานหลวงพ่อลืมคําว่าปฏิบัติไปเลยแต่หลวงพ่อมีฉันทะรู้สึกว่ามันน่าสนใจเมื่อฉันทะเกิดวิริยะก็เกิดคือขยันดูแต่ถ้ารู้สึกว่าเราปฏิบัตินะั้นมันจะเหน็ดเหนื่อย อยากได้ผลนั้นมันจะมีแต่ความอยากจิตใจเต็มด้วยความทุกข์เมื่อมันทุกข์มันก็อยากขี้เกียจ ด, ดูะแต่หลวงพ่อรู้สึกมันน่าสนใจมันก็เลยขยันดูนะวิริยะมันเกิดพอวิริยะมันเกิดจิตใจเราก็คอยจดจอ่อจะรู้อันนี้จิตตาก็เกิดนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็คอยมารู้อยู่ตรงนี้ใคร่ายควรอยู่ตรงนี้เช่นตาเราเห็นรูปเอ๊ะตัวนี้มันไหวขึ้นมา ผมได้ยินเสียงตัวนี้มันเกิดกุศลอนะกุศลนะนี่เรียกว่าวิมังสาความใคร่ครวนไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านนะแต่ว่าต้องมีสภาวะธรรมจริงๆมารองรับนะเช่นความโกรธปรากฏขึ้นมาเนะี่ยมาดูสิมันมาอย่างไงนะใจมันใคร่ครวญของมันเองนะของเรามีแค่ฉันทะพอแล้วที่เหลือเกิดขึ้นเองนะงั้นส่วนมากพวกเราปฏิบัติไม่ได้เริ่มจากฉันทะเลยเริ่มจากโลภะเริ่มจากตัณหาอยากปฏิบัติ นะอยากปฏิบัติก็อยากได้ผลใช่ไหมผมไม่อยากปฏิบัติเฉยๆหรอกอยากได้ผลอยากได้ผลแ้วมันไม่ได้ผลหรอกได้กิเลสในยนิย์เป็นไงอย่ากแกล้งทำนะลูกสาวก็อย่าไปแกล้งแบบแม่นะเราเจ้าแลมเป็นไ ง, นงไแล้วแม่ทหไมไม่อยู่กับลูก มัวแต่วิ่งไปตามวัดนะคอยวัดใจตัวเองนะเรายุ่งกับคนมากก็ยุ่งนะคนมากเรื่องมากเอาตัวรอดดีกว่าเนี่ยพวกนักแชทนักเฉดเลยทั้งหลายเนี่ยวันวันนะคอยเตเฝ้าจอ <c oughs> เล่นเน็ตไปโอ้ยคุยธรรมะสดชื่นมีความสุขติดเลยติดความสุขแหละ แต่ถ้าไปโพสกระทูนะไม่มีความสุขนะถามจาย์สุรวัตรเลยนะโพสกระทู้เราไม่มีความสุขหรอกอย่าไปเล่นเยอะเสียเวลาเอาเวลามาอ่านใจตัวเองตกลงจะเริ่มปฏิบัติจะทําไงดีเออนะหัดรู้กายรู้ใจเรื่อยๆนี่ยเรียกว่าอนุปัสนาอนุปัสนาแปลว่าตามรู้ตามรู้ไม่ใช่แปลว่าจ้องไว้ก่อน ตามรู้แปลว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ค่อยรู้ไปเอจับตรงนี้ให้ดีนะตามรู้ไม่ใช่จ้องไว้ก่อนไม่ใช่รอรู้นะหมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นเราค่อยรู้นะอย่างความอยากพูดเกิดไว้แวบบมันเกิดก่อนเรารู้ทีหลังเรียกว่าตามรู้นะแต่ถ้าเราไปจ้องอยู่ที่ใจเราจ้องรอดูซิว่าเมื่ อ, อไรอะไรจะเกิดนี่ไม่ใช่ตามรู้นี่เป็นการดักไว้ก่อน เฉั้นคำพูดของพระพุทธเจ้าแต่ละคำมีความหมายทั้งนั้นอย่าให้คลาดเคลื่อนนะเรียนให้ดีกายานุปัสนาตามรู้กายหมายถึงกายมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นนะจิตตานุปัสนาตามรู้จิตจิตใจมันเป็นยังไงก็ค่อยรู้เหมือนอย่างโยโย่บอกมันเผลอบ่อยนะหว่าจะรู้เนี่มันเผลอไปแล้วบอกถูกต้องแล้วนะถ้าเผลอไปรู้ไปนี่วิปลาสแน่นอนเลย เพราะมันเป็นไปไม่ได้เผลอมันเป็นอกุศลนะรู้มันมีสติสติเกิดร่วมกับอกุศลได้ที่ไหนอ่ะเฮ้ยมันเผลอไปแต่พอจิตมันจําสภาวะได้ว่าเผลอเป็นอย่างเงี้พอเผลอนะสติมันจะเกิดเองอ้าวเผลอไปแล้วนี่สติเกิดทันทีได้รู้สึกขึ้นมาอ้าวเผลอไปแล้วจะเห็นเลยเผลอดับทันทีเลยนะความรู้สึกตัวเกิดเผลอเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วกุศลและจิตคือความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมา แต่อยู่ได้แว็บเดียวโยรู้สึกไหมรับกูสนดับนะอกูศลมารับอีกแล้วเช่นอุ๊ยรีบประคองไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไหลไปอีกนี่แหละอกูศลล่ ะ, น, ละนะเพั้นพอจิตเราไหลไปรู้ทันว่าไหลจบแล้วงานเราหลังจากนั้นมันจะเริ่มอกูศลตัวใหม่แล้วคือวยต้องรักษาละอยากรักษานี่ตันหาเกิดแล้วอยากรักษารู้ว่าอยากรักษานี่กูศลเกิดอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นกูศนอกูศนนี่จะถี่ยิบเลยนะเราจะเห็นแต่เกิดกระดับเกิดกระดับนะ เห็นมากเข้ามากเข้าจิตมันก็แจ่มแจ้งโอ้ทุกสิ่งเกิดแล้วดับแจ่มแจ้งตรงนี้นะแจ่มแจ้งว่าทุกสิ่งที่เกิดแนละ้วล้วนจะ ด, ดับไปทั้งสิ้นได้พระโสดาพระโสดาเห็นตรงนี้ไม่ใช่ว่าทํากุศลให้เป็นเกิดอยู่นิรันดรเนนะี่ยมันจะนิรันดรได้ไงมันของไม่เที่ยงนะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ถ้าสติเราเกิดบ่อยกุศลก็เกิดบ่อยนะ นานๆสติเกิดทีนึงก็กูสนเกิดน้อยๆสติไม่เกิดเลยก็มีแต่กูสนก็แค่นั้นเองงั้นคอยรู้ไปตามรู้กายตามรู้ใจนะแต่ไม่ใช่นั่งจ้องจำไว้นะอย่าไปนั่งจ้องนั่งจ้องแล้วทุกอย่างนิ่งหมดเลยเป็นการเข้าไปบังคับเข้าไปแทรกแต่งล้วสุดโต่งอีกข้างอยากดูอยากดูจิตก็เลยไปนั่งจ้องเห็นไหมเริ่มต้นที่อยากดู อยากดูนั่นแหละตัณหาการจ้องก็เป็นการสร้างภพตัณหาผู้สร้างภพเสร็จแล้วจิตก็ไปยึดเอาจิตขึ้นมานะการที่จิตไปหยิบฉวยเอารูปหรือเอานามขึ้นมาเรียกว่าชาตนะิชาติคือการได้มาซึ่งรูปนามเพราะฉะนั้นะอยากปฏิบตัติปุ๊บโอ้โหจ้องเข้าไปในจิตจะไปคว้าเอาจิตขึ้นมาคนะว้าเอานามมาทาขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดในฉับพลันนั้นเลยนะอึดอ า, า ท, ท, ทันทีทุกทันที ไปยึดของดีก็ทุกแบบคนดีทุกน้อยหน่อยไปยึดของชั่วๆก็ทุกหนักหน่อยนะเป็นก้อนเมื่อเลอเลยเคยเป็นไหมใครรู้สึกเมื่บางวันก้อนเท่าครกต่ําข้าวนะต่อมาพอพัฒนาขึ้นนะก้อนนี้ก็เล็กลงจากครกตําข้าวเท่าครกหินอ่างศิลาเออฝึกมากๆเออเท่าครกด่านเวียนนี่ทํา้วยด้วยดินเบาลงหน่อยฝึกไปฝึกไปเออเท่ามูลีเนกแล้วนะ ฝึกไปฝึกไปหายไปเลยเอองันะ้ยึดมากทุกมากยึดน้อยยึดน้อยก็ทุกน้อยนะ